ก็ได้พูดถึงทุตสาสิทธิ์ที่ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งอันนี้ก็มีที่มานะที่มาของภาสิทธิ์นี้ก็สืบเนื่องจากมีคราวนึงพระพทธองค์นนได้เสด็จไปเมืองอาโลิีเพราะว่าทรงพิจารณาเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในเมือง น, นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรู้ธรรมทรงทรง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 แล้วก็กัดต่อไปว่าเนี่ยสังขารก็เป็นทุกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดนะว่าการที่อ่าการที่จะโปรดให้คนในี่ไดบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าต้องช่วยให้เขารับความหิวเสียก่อนชายพวนั้นนี่ยังหิวอเลยนะแต่ว่าด้วยศรัทธาก็มากราบพระเจา้าแต่พระองค์ก็รู้ดีว่านะถ้าท้องยังหิวเนี่ยนะจะฟังธรรมก็คงจะไม่